ก็ความในพระสุตตานตปิฎกเนี่ยนะคุถการนิกายมหานิเทศเล่มหกสิบหกเนี่ยนะมาขึ้นสูตรใหม่กลระหะวิวาทสูตรที่สิบเอ็ดในพระสูตรเหล่านี้ที่จะกล่าวติ่นะที่มีพระพุทธนิมิตตรัสถามตัญหาก็ยังอยู่ในช่วงมหาสมัยคําว่ามหาสมัยก็คือการประชุมใหญ่การประชุมใหญ่ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เนี่ยจะมีการประชุมใหญ่อย่างนี้หนึ่งครั้ง พระเทวดาในหมื่นจักรวาลนี่จะมากั น, เ, นนะเมื่อมากาันพระองค์ก็ตรวจดูเทวดาเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยนะว่าแบ่งเทวดาเป็นสองพวกก่อนคือพวกที่จะบรรลุกับไม่บรรลุใช่ไหมทีนี้พวกบรรลุก็แบ่งแบ่งตามจริตว่าจริตหกนะว่าพวกราคะจริตโทสะจริตโมหจริตพวกวิตติ ก, กจริตศรัทธาจริตแล้วก็พุท ธ, ธจริต น, นะนะเราแบ่งตามจริตทีนี้ เมื่อแบ่งตามจริตอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็แบ่งพระธรรมเทศนาว่าเทธรรมเทศนาใดเหมาะกับเทวดาพวกใดนี่การที่จะแสดงธรรมเนี่ยก็มีเหตุอยู่4ประการเนี่ยนะด้วยอัธยาศัยตนตาลบอัธยาศัยผู้อื่นหรือว่าด้วยอาศัยเรื่องที่เกิดขึ้นหรือด้วยหน้าคําถามนี่ก็ต้องอาศัยคําถามจึงจะบรรลุได้ทีนี้ผู้ที่จะถามปัญหาแล้วบรรลุได้ก็ต้องเป็นพระพุทธเนยรมิตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจึง เนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นก็มีพระพุทธเนรมิตเนี่ยมาถามปัญหานี่ถามปัญหาเพื่อเหมาะกับเทวดาประเภทโทสะจริตเนี่ยนะเนี่ยนะแสดงทำให้เหมาะกับทยาสายของพวกโทสะจริตก็คือแสดงถึงโทษของการทะเละวิวาทนั่นเองซึ่งพระพุทธเนรมิตแต่ถามว่าความทะเละความวิวาสความรำพันความเศร้าโศกเนี่ยนะความตรณีความถือตัวความดูหมิน่น และคําพูดส่อเสียดเนี่ยมีมาแต่อะไรขอเชิญพระองค์เนี่ยตรัส บ, บอกกิเลสเหล่านั้นว่ามีมาแต่อะไร <c oughs> นะกิเลสที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเกิดจากอะไรฟั ง, งกันขอแรกก่อนนะความทะเลาะความทะเลาะและความวิวาททั้งสองอย่างนั้นก็คือจริงจก็อย่างเดียวกันะนะโดยอาการเดียวกันก็คือความทะเลาะ อ, อันใดความวิวาทก็เป็นอันนั้นความวิวาทเป็นอันใดความทะเลาะก็เป็นอันนั้น อีกอย่างหนึ่งหรือว่าโดยประการอื่นความวิวาทเป็นเบื้องต้นแห่งความทะเลาะเรียกว่าความวิวาทบอกว่ากล่าวคือแม้พระราชาก็วิวาทกับพระราชาแม้พวกกษัตริย์ก็วิวาทกันกับพวกกษัตริย์แม้พวกพราหมณ์ก็วิวาดกันกับพวกพราหมณ์แม้พวกครือาบดีเศรษฐีทั้งหลายก็วิวาดกันกับพวกครือาบดีแต่ชาวไร่ก็ทะเลาะกับชาวไร่ชาวนาก็ทะเลาะกับชาวนาพวกค้าค้ายก็ทะเลาะกันน่ยไง แม่มารดาก็วิวาดกับบุตรแม่บุตรก็วิวาดกับบิดามารดาเนี่ยนะแม่บิดาก็วิวาดกับบุตรแม่บุตรก็วิวาทกับบิดาพี่น้องชายก็วิวาทกันกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงก็วิวาทกันกับพี่น้องชายแม้สหายก็วิวาดกันกับสหายเรื่องการทะเลาะเนี่ยนะมันไม่เลือกที่นะในวัดยังทะเลาะกันเลย่นะทีนี้ความทะเลาะเป็นชนัยก็คือบุคคลผู้ครองเรือนขวนขวายหาโทษกัน ก็ทําความทะเลาะกันด้วยกายด้วยวาจาพวกบรนประชิตต้องอาบัติอยู่ก็ทําความทะเลาะกันด้วยกายด้วยวาจารเรียกว่าความทะเลาะมันทะเลาะกันทั้งคือคารวาสบันประชิดนะนะคาวาสก็แย่งกามกันพระพิสุก็ทะเลาะกันเพราะว่าอีกฝ่ายไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะก็อยากให้ฝ่ายบริสุทธิ์ก็ทะเลาะกันเบาะแว้งกันเรียกว่าศีลไม่เสมอกันเป็นต้นเนี่ยนะก็เริ่มทะเลาะกันละ คำว่าความทะเลาะความวิวาทเนี่ยมีมาแต่อะไรความว่าพระพุทธเดนมิตรสอบถามขอให้บอกขอเชิญให้แสดงขอให้ประสาทซึ่งมูลเหตุนิทานเหตุเกิดแดนเกิดสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยสมุทยัยแห่งความทะเลาะและความวิวาทว่าความทะเลาะและความวิวาทเนี่ยมีมาคือเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏมาแต่อะไร มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นกําเนิดเนี่ยนะพันธสถามว่าทะเลาะวิวาดนี่มันเกิดจากอะไรคือทำไมคนมันทะเลาะกันนะทำไมสัตว์จึงทะเลาะกันแล้วก็ถามว่าแล้วความรําพันน่ะนะความรําพันเนี่ยเกิดมาจากอะไรบอกว่าความเพ้อถึงความรําพันกิริยาที่เพ้อถึงกิริยาที่รําพันถึงความเป็นผู้เะเพ้อถึงความเป็นผู้รําพันถึง ความเป็นผู้พูดเพอ้อความบ่นเพอ้อความพร่ำเพอ้ออาการพร่ำเพอ้อความเป็นผู้พร่ำเพอ้อของคนผู้ถูกความเสื่อมแห่งญาติกระทบแล้วเนี่ยนะก็ญาติายนะก็ร้องให้พร่ำเพ้อกันนะเนียมีครั้งหนึ่งไปงานศพอยู่ที่หนึ่งอนะแม่เขาเขามีลูกอะ่ะลูกอายุสักสี่สิกว่าตายเนี่ยแม่ก็ร้องให้นั่นแหละนะจะพาจะสวดอภิธรรมนั่นะแม่ก็คร่ำครวญทําไมตายเร็วนะักเป็นต้นเนี่ยก็ร้องอย่นั่นแหละ มันผู้ที่ถูกความเสื่อมเพราะโรค ก, กระทบเนี่ยนะคนป่วยเนี่ยไปเยี่ยมคนป่วยนะคนป่วยก็จะบน่นจะเพ้อย่นั้นทำไมมาเป็นเรามาใดจะหายอยางนะั้ถูกโรค ก, ก็กบ่นอยู่นั่นแหละหรือผู้ที่ถูกความเสื่อมเพราะทิฐิเนี่ยนะก็เสียหายด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิก็มาเสียใจเศร้าโศกอนั่นแหละหรือผู้ที่ประจวบเพราะความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเข้าบ้าง ถูกปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งมาบีบคั้นก็บ่นเพอ้อพร่ำเพ้อนะก็เดือดร้อนอยู่นั่นแหละส่วนความโศกก็คือความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกความเป็นผู้เศร้าโศกความเศร้าโศกในภายในความตรมตรอมในภายในความเดือดร้อนในภายในความเร่าร้อนในภายในนั่งแล้วมันร้อนเหมือนกันคนระับความตรอมเตรียมแห่งจิต ความโทมนัสลูกสอนคือความเศร้าโศกของคนที่ถ per ูกความเสื่อมแห่งญาติกระทบเข้าบ้างที่ถ <playful çoc Kings> ูกความเสื่อมแห่งโภอสมบัติกระทบเข้าบ้างที่ถูกความเสื่อมเพราะโรคกระทบเข้าบ้างที่ถูกความเสื่อมเพราะศีลกระทบเข้าบ้างอนะศีลขาดก็โศกใช่ไหมโศกไหมคุณผู้ชมอันะั้นศีลขาดก็โศกกนอนไม่หลับนะหรือว่าผู้ที่ถูกทิฏฐิกระทบเข้าบ้างนะเสื่อมทิฏฐิมิจฉาทิฐิก็เดือดร้อนเพราะมิจฉาทิฏฐิอันะั หรือเศร้าโศกที่เกิดจากความประจบกับความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบขึ้นเนี่ยนะเช่นรถบาดรถเฉี่ยวรถเสียดสีหรือที่ทำมาหากินเรื่องการเรื่องงานเป็นต้นเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกทั้งนั้นแหละส่วนความตรหนีมีอยู่ห้าอย่างนะตณีในที่อยู่สกุลลาบวันนะธรรมะความตรหนีเห็นตานี้กิริยาที่ตรนี ความเป็นผู้ตรณีความเป็นผู้ปรารถนาต่างๆความเหนียวแน่นความเป็นผู้มีจิตหดหูเจ็บร้อนในการให้ความที่จิตอันใครๆไม่เชื่อถือได้ในการให้นี่เรียกว่าความตรณีอีกอย่างหนึ่งความตรณีขันก็ดีตรณีธาตุอายตนะนี่ก็เรียกว่าความตรณีความมุ่งจะเอาก็เรียกว่าความตรณีนะความไม่ยอมสละความไม่ยอมให้นีก็เรียกว่าตนีเหมือนกัน เชื่อว่าความถือตัวเนี่ยนะว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ยังความถือตัวให้เกิดขึ้นโดยชาติบ้างอาศัยชาติเนี่ยคือวันณะเนี่ยนะก็ถือตัวอาศัยนามสกุลเนี่ยนะถือว่าชาติเดียวกันเนี่ยนะเช่นชาติเดียวกันก็ถือตัวกันเพราะนามสกุลเพราะโคตรเนี่ยนะ หรือด้วยความเป็นผู้บุตรแห่งสกุลบ้างหรือถือตัวด้วยว่าเป็นผู้มีรูปงามบ้างมีทรัพย์บ้างโดยการปกครองบ้างหน้าที่การงานหรือว่าโดยหลักแหล่งแห่งศิลปะโดยวิทยาฐานะโดยการศึกษาโดยปฏิพันธ์หรือโดยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้นี่ก็เป็นเหตุให้ถือตัวนะคนที่มีความรู้ความสามารถมากคนมีดีเนี่ยส่วนใหญ่จะถือตัวขอให้มีดีอย่างใดอย่างหนึ่ง เ, เนี่ยนะจะถือตัวกันหมดนะ่ะ ส่วนความดูหมิ่นก็คือดูหมิ่นคนอื่นในเรื่องโคตรเรื่องชาติเรื่องตระกูลเนี่ยนะหรือว่าเรื่องความรูปนะว่ารูปเลวดูหมิ่นเข้าเรื่องทรัพย์เรื่องหน้าที่การงานหลักแหล่งศิลปะวิทยาฐานะการศึกษาปฏิพานหรือหาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะไปดูหมิ่นเขาส่วนคำว่าคำพูดส่อเสียดเนี่ยนะนะคำพูดส่อเสียดก็คือวาจาส่อเสียด ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมู่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทําลายคนหมู่โน้นเป็นผู้ทําลายคนที่พร้อมเพียงกันบ้างสนับสนุนคนที่แตกกันแล้วบ้างชอบผู้ที่เป็นกกกันยินดีผู้ที่เป็นกกกันเพลินคนทีท่เป็นกกกันเป็นผู้กล่าววาจาที่ทําให้เป็นกกันนีเรียก ว, ว่าคาพูดส่อเสียดเนี่ยนะประสงค์ให้เขาแตกอย่างเดียว อีกอย่างหนึ่งบุคคลย่อมทำคำส่อเสียดเข้าไปด้วยเหตุสองอย่างคือนำคำส่อเสียดไปด้วยความมุ่งหมาย น, นะอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รักของเขาอ่ะ น, นะหรือมีประสงค์จะให้เขาแตกแยกกันจึงส่อเสียดเข้าไปถามว่าบุคคล น, นำคำส่อเสียดเข้าไปโดยความมุ่งหมายให้เราเนี่ยเป็นที่รักอย่างไร ก็คือบุคคลนำคําส่อเสียดเข้าไปพูดมุ่งหมายเป็นที่รักอย่างนี้ว่าเราจะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่สนิทเป็นภายในเป็นที่ดีใจของบุคคลนี้นะอยากให้เขารักตัวนะก็เลยไปส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันคล้ายว่าอยากให้คนอื่นเขารักเราอ่ะนะก็สรรหาความเลวของคนอื่นมาพูดมาเล่าให้คนอื่นเขาฟังเนี่ยนะเพราะตัวเองจะได้เป็นที่โปรดปรานของคนที่ ท, ที่ถูกเล่าอ่ะนะ คือบุคคลที่เราเล่าให้ผู้ใดฟังเขาจะชอบเรามากขึ้นใช่ไหมก็เลยยอมทําตัวคาบข่าวเล่าเจรไนความเลวของผู้อื่นให้ให้คนหนึ่งฟังเพราะตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นที่รักของเขาอะ่ะบุคคลผู้มีความประสงค์ให้เขาแตกกันจึงนําคําส่อเสียดเข้าไปอย่างไรคือบุคคลเป็นผู้มีความประสงค์จะให้เขาแตกแยกกันอย่างนี้ว่าชนเหล่านี้พึงเป็นต่างกันแยกกันเป็นกกกันเป็นสองเหล่าสองพวกสองฝ่ายชนเหล่านี้ เพิ่งแตก่กันไม่ปรองดองกันพึงอยู่ลําบากไม่อยู่ภาสุกด้วยอุบาหอย่างไรนี่แหละเรียกว่าความสอเสียดสอเสียดนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลก็คือวัสการพรามอ่ะเขาไปสอเสียดจนเมืองภัยสาลีเนี่ยนะแตกแยกกันไม่รู้กี่กกตกรีกกเนี่ยนะไปสอเสียดให้ให้เขาทะเลาะ ก, กันเองอ่ะนะเรียก ว, ว่าเสี่อมเขาโคให้วัวโคมันชนกันลักษณะคาพูดกลมเนี่เรียกว่าสอเสียดคือทําให้เขาแตกแยกกันสรรหาคําพูดอ่ะนะ ให้เขาคิดกันเป็นอื่นต่อกันนะ่ะหรือแม้กระทั่งพวกพระเทวทัตอ่ะส่อเสียดทำอะไรก็คือทําสังฆเพศนะนีททาสังฆเภทให้สงแตกร้าวกันนั้นคําพูดนี่มีโทษมากนะส่อเสียดในการทําให้คนอื่นเขาแตกแยกกันข้าขอพระองค์เนี่ยตัดบอกกิเลสเหล่านั้นนะนีคือกิเลสคือความทะเลาะความวิวาทความรำพันความโศกความตรณีความถือตัวความดูหมิ่นคําพูดส่อเสียดเนี่ยมีมาแต่อะไร ก็ความว่าพระพุทธเนยมิตเนี่ยถามตรัสถามสอบถามขอให้ตรัสบอกขอให้ทรงสแสดงขอให้ประสาทซึ่งมูลเหตุนิทานเหตุเ ก, เกิดแดนเกิดสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยสมุทายแห่งกิเลส8ประการเหล่านี้ว่ากิเลส8ประการเหล่านี้คือ1ทะเลาะสองวิวาทสความรำพันสี่ความเศร้าโศก5้าความตระนีหกความถือตัวเจความดูหมิ่น8ความผู้โสเศษเนี่ยมีมา เกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏมาแต่อะไรคือมีอะไรเป็นนิทานเป็นสมุทยัยเป็นชาติเป็นแดนเกิดฉะนั้นจึงเชื่อว่ากิเลสแปดประการนี้มีมาแต่อะไรขอเชิญพระองค์เนี่ยตรัสบอกขอเชิญพระองค์เนี่ยจงตรัสบอกตรัสตอบแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื้นประกาศเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าขอพระองค์เนี่ยตรัสบอกว่ากิเลสเหล่านี้มาจากอะไร สรุปคำถามที่พระพุทธนิมิตถามก็คือถามว่าความทะเลาะความมีวาดความลำพันความโศกความตระนีความถือตัวความดูหมิ่นความพูดส่อเสียดเนี่ยมีมาแต่อะไรขอเชิญพระองค์เนี่ยตรัส บ, บอกว่ากิเลสเหล่านั้นน่ะมีมาจากอะไรลักษณะคำถามเนี่ยถามเหมือนกับเท่าสักกะในสักกะปัญหาสูตรนเนี่ยนะในสักกะปัญหาสูตรเท่าสักกะก็ถามแบบนี้แหละของเรานี่ตอบได้ไหมว่า ทะเลวิวาทเป็นต้นเนี่ยเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าความทะเลาะความวิวาทความรําพันความโศกความตรนีความถือตัวความดูหมิ่นและความพูดส่อเสียดมีมาแต่สิ่งที่รักเกิดจากของรักเหมือนันเนี่ยเพราะของรักนี่แหละความทะเลาะความวิวาทความประกอบในความตระนีเมื่อความวิวาทเกิดกันแล้วก็พูดส่อเสียดต้นเหตุที่สําคัญเนี่ยนะที่ทำให้ทะเละวิวาท ความตรณีเกิดเนี่ยนะก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักทีนี้เมื่อทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ส่อเสียดให้เขาแตกราวกันนะสรุปว่าสิ่งอันเป็นที่รักนี่แหละทําให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตนะคําว่าสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยก็คือวัตถุอันเป็นที่รักเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างนะสิ่งอันเป็นที่รักก็คือหนึ่งสัตว์สองสังขารสัตว์อันเป็นที่รักกับสังขารอันเป็นที่รักว่างั้นนะ ไอสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเนี่ยแหละทําให้เกิดความวิทะเลาะความวิวาดแล้วก็ความตนีขึ้นสัตว์อันเป็นที่รักเนี่ยเป็นไนก็คือชนเหล่าใดาในโลกเป็นผู้ใคร่ความเจริญใคร่ประโยชน์ใคร่ความสบายใคร่ความปลอดโปร่งจากโยค่ากิเลสไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดามิตรอมมาตพวกพ้องญาติสาโลหิตนี้เรียกว่าสัตว์อันเป็นที่รัก สังขารอันเป็นที่รักเป็นชนิดก็คือรูปเสียงกลิน่นรสโพธพภะอันเป็นที่ชอบใจเรียกว่าสังขารอันเป็นที่รัก